กุฑวันสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะพุทธวัตรสวัสดีหมายความว่าสิ่งที่ กราบเรียนถามคําถามพระภิกขุอภิปุณโณจากวัดบ่าดอนหายโศกอุดรธานี 26 ตุลาคมคนๆจะทําบุญก็จะ ในสัปดาห์นี้นึงสัปดาห์เลยนะคะในวังจัดรายการนี่ก็มีคือหลวงพ่อ ดร. สะอาดได้เมตตามานั่งคอยให้กําลัง นักควรแสดงให้เป็นไปตามๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นบางทีก็อืมแล้วก็ว่ากันเพราะ ท่านไพบูลย์พยายามที่จะอธิบายบอกว่าสงสัยพวกนั้นจะรู้แล้วถ้าได้ประโยชน์อย่างไรหรือเปล่าคะว่าไอ้สิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันห่วยๆห่วยแตกมันเน่าท่านพูดอย่างนี้เมื่อใช่นะคะเพราะฉะนั้นวัน ให้พวกเรามีความเข้าใจในเรื่องทุกข์ว่าเป็นสภาวะก็กราบนมัสการท่านช่วยให้ความ ติดป้ายมันไว้เลยมันเป็นความทุกข์ค่ะนะฟังครั้งหนึ่ง 3 อย่าง 1, <Okay. S> 1> นะเป็นทุกข์ความเป็นเช่นน้ําแข็งเดี๋ยวคุณน้ําแข็ง เพราะความที่มันทนอยู่อย่างนั้นได้ยากความที่มันทนอยู่อย่างนั้นได้ยากมันจึงเป็น ถ้าเราจะบอกว่าเรา subject to change ก็คือมันมีเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันมันมีเปลี่ยนแปลงได้ uh, terms and conditions ว่านี่นะเงื่อนๆไว้นิดนึง subject to change อันเนี้ย ข้อที่ 2 ความเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมีลักษณะเป็นของปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งนั่นน่ะมีลักษณะของความเป็น ปรุงแต่งแล้วนะแล้วพอเรากินเข้า 3 นะๆนะ 3 ความ แห่งความแปรปรวนเป็นไปต่างๆ3 อย่างนี้อยู่ที่ไหน 3 มั้ย 1 ก็ 1 ก็ได้ 3 อย่างนี้น่ะคือมันเป็นอัน 1 อัน 1 ก็จะมาด้วยแน่ ไม่ใช่ว่าเราเจ็บเฉยๆอันนั้นเจ็บก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าความ 3 ลักษณะนี้มั้ยความสุขเช่นว่าเราเป็นของบังแต่งมั้ย เออถ้าสมมุติคลื่นเมทิโอนี่ลำเป็นลูกทุ่งไหล่หมาเราเริ่มเครื่องละเออแสดงว่ามันมีลักษณะเป็นทุกข์ฮะแสดงค่ะอ่าท่านคะๆคนที่นั่งฟังรายการ ค่ะแล้วก็อยู่ห้องแอร์เย็นๆสบายมากเลยนะอุณหภูมิเย็นๆยังไม่ลุก มีสภาวะเป็นทุกข์ค่ะนะเอ่อรวมถึงเอ่อการปรุงแต่งนะปรุงแต่งตัวเรามั้ยเฮ้ยความ <Okay. S 1> สุขไปอย่างนั้นแล้วก็สุขไปสุขไปเรื่องอื่นๆนั่นคือประงแต่งตัวมันเองแสดงว่ามันมีคุณสภาพของถ้าเราพูด ที่อยู่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอุเบกขาฌาน 4 ล่ะสมาธิโอ๊ยเค้าบอกว่าได้ฌาน 4 เดี๋ยว มันมีวิตกวิจารณ์ปิติสุขพวกนี้ปรุงแต่งอ่าแสดงค่ะนี่แหละและถ้าสมมุติดิฉันจะลองบ้างว่าดิฉันจะทน อ่าดิฉันเปรียบเอาตัวเราเนี่ยตัวตัวของเนี่ยคือเหมือนอ่าทน 30 อืมพยายามเท่า 30 ปีเนี่ยมันก็เอ่อไม่ ไม่ไม่ทําให้ก้าวหน้ามากเกินไปแต่ 2 ความเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะเป็นของปรุง นะอาหารเรากินเข้าไปนะมันปรุงแต่งตัวมันสลายเป็นเป็นสารประกอบอะไรต่างๆในท้องเราแล้วมันก็ปรุงแต่ง มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อมันปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันด้วยงั้นถ้าคิดในทางกลับ มันก็เน่าเปื่อยด้วยอย่างงั้นหรือเปล่าคะมันก็เปลี่ยนไปสภาพมันสลายไปละอันนี้สามารถที่ที่ 3 บอกว่าความเป็นทุกข์รั่วมีลักษณะๆใช่อย่าง หรือเรียงรวมถึงว่าลดลงเรือคุณเปลี่ยนรีบอทแล้วแค่เราเปลี่ยนรีบอทก็มีความแปรปรวนเป็นไปค่ะอืมไม่โดยเราไม่อยากค่ะถ้าเราคือความค่ะควรกําหนด นะเค้าจะแปลว่าควรกําหนดรู้ไอ้ความกําหนดรู้นี่ก็ๆก็คือ มันเป็นอย่างงั้นน่ะของมันน่ะเป็นอย่างงี้เราเข้าใจละสบายละค่ะอืมนั้นก็อ่าทําๆตัวเช่นท่านว่าโอ๋ฉันอืมจะรวยด้วยถูกลอตเตอรี่นั้นๆ มาเปรียบเทียบไม่ว่าท่านจะว่าสุขอย่างไรแต่ท่านไพบูลย์ว่าเพราะคือเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเนี่ยทุกหมดถูกอ่านั่นเหรอทุกข์ละอ่าสมมุติจะยก สภาวะที่เป็นทุกข์ก็อันหนึ่งสภาวะที่สภาวะ ทุกข์ของสุขเวทนานั้นคือความที่สุขเวทนานั้นมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ตลอดมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่คือสภาวะทุกข์ของเนี่ยแต่วันหนึ่งบางทีมันดีอยู่ ค่ะแต่ที่มันแย่คือเนี่ยคุมไม่ได้เลยอยากจะได้เวลาต่อไปเวลาหมดท่านคะเอ่อพรุ่งนี้สงสัย ปฏิบัติกันจะได้มีความก้าวหน้าเอ่อวันนี้ก็เพราะแม้กระทั่งตัวเองยังมีความรู้สึกว่าทีมก็ อ่าเห็นความทุกข์เป็น